พระธรรมเทศนาแผ่นที่114ลำดับที่25โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่11เมษายน2560 ม, ม, ม, มีชื่อเรื่องว่าอย่าเป็นพลเมืองที่ไร้ศีลธรรมฉนีสมชายร้องในวันนี้นะบอกเหตุใ้พวกเราสังเกต แ ต, แต่มันว่าจะ่มันร้องอย่างเดียวไม่ได้แต่เราจะไปเชื่อมันทีเดียวก็ไม่ได้แต่เราต้องสังเกตเพราะว่าเราเป็นเราเป็นพระนะเราเป็นคนไปหาเชื่อแต่ชนีอย่างเดียวก็ไม่ได้แต่ว่ามีเหตุนะอาจจะมีพายุเข้ามาในช่วงนี้ถ้าเป็นเห็นชนีร้องอย่างนี้มันอาจจะบอกเหตุนะแต่ทราบข่าวว่ามันจะมีพายุเข้ามา พายุระดูร้อนเข้ามาแต่ทึงยังไงก็ตามนะพระเก่าที่ผมบอกบอกแล้วสอนแล้วนะให้แนะนาพระใหม่ที่เข้ามาหรือสมมาเนรใหม่เนรน้อยที่เข้ามาอย่าให้มีปัญหาให้พวกรั้นพอเสียงเสียงลมเสียงแล้วมันโดดเข้าไปหาพระใหม่เนรน้อยถ้าไม่มีที่ไปให้ไปไปยืน เอาหลังผิงกำแพงไว้ก่อนอย่าไปอยู่ในป่าถ้าหว่าต้นไม้โคน่คนทับนะมันจะเสียหายหพวกพระเขต้องช่วยกันดูนะไม่ใช่ว่าตัวใครตัวเราไม่ได้นะถ้าหว่าเสียงอูอูเข้ามาแล้วพวกท่านทั้งหลายต้องรู้เพราะว่ามันพิษภัยลมพายุพวกเราอยู่ในป่าเราอยู่ในป่าต้นไม้สูงอันตราย ให้พวกเราที่เป็นพระเกานะ่าช่วยช่วยกันคิดนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแต่พวกบอกได้เลยว่าถ้าหกโมงไปแล้วไม่มีพายุพายุจะไม่มากลางคืนผมมาอยู่ที่นี่เป็นเวลาตั้งหลายปีแล้วก็ผมเกิดมาี่กอหลายปี72บปีไม่เคยมีพายุกลางคืนแรงๆนะมีแต่โดยมากกั บ, บายเริ่มตั้งแต่บ่ายสองนี่แหละโดยมากจะเป็นรับกระตั้งบ่ายสาบ่ายสบ่ายห้าโมง ช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่ร้อนกับหนาวกระทบกันจะมีพายุปั่นปวนจะทำให้ต้นไม้ล้มในระนาดอันตรายพูดง่ายๆให้พวกเราหาที่หลบถ้าอยู่พระเนร์อยู่ในละแวกนี้นะให้เขามาอยู่ใต้ถุนศาลาหลังนี้หรือเข้าไปอยู่ในฐานที่ห้องเก็บของฐานพระประธานแปลว่าเข้มแข็งต้นไม้ล้มโค่นไม่ถึง ถ้าพวกอยู่ในครัวก็เหมือนกันให้เข้าไปอยู่ในโรงครัวครัวทำอาหารนั่นแะต้นไม้ล้มไม่ถึงโค่นไม่ถึงเพราะต้นไม้ไม่มีในช่วงนั้นพระในวัดของเราก็เหมือนกันถ้าใครอยู่ในระแวกไหนะจะไปหมกอยู่ที่กุฏิตัวเองนะถ้าเสียงลมมาแล้วก็ต้องมองต้องโดดออกมาจากกุฏิให้มาที่ศาลาหรือว่าพระที่อยู่ในระแวกนะั้นมาศาลาไม่ทันก็ให้เอาพระเดินลูกหลาน ไปหลบอยู่ที่กำแพงเอาหลังพิงกำแพงถึงจะปวดตกุกงฝนตกเปียกขนาดไหนก็เดอะมันก็ไม่อันตรายเพียงช่วงช่วคั่วชนะเพียงชั่วโมงเดียวไม่เป็นไรพอฝนหยุดได้วจะคย ก, กลับเข้ามาในละวิธีการหลบฝนให้ช่วยกันคิดนะอันนี้ผมมีแต่บอกกล่าวตนเองผมก็เหมือนกันถึงเวลานั้นผมก็จะต้องรีบลงมาหลบอยู่ข้างล่างอยู่ที่ศาลาเหมือน ก, นกันกับหมู่พวกเพื่อนนั่นแหละ กุฏิผมก็เป็นมันอยู่สูงต้นไม้อยู่สองสามต้นอยู่นั่นนะ่ะก็อันตรายเหมือนกันถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นมันไม่คุ้มค่ากันถ้ามันตายทีเดียวก็ไม่เป็นไรโคนทับตายแล้วก็จบไปถ้ามันไม่ตายขาหักแขนหักละ่ะมันเป็นภาระใครละ่ะเป็นภาระของตนเองเป็นภาระของหมู่ของเพื่อนนะสิ่งเราได้เราต้องระคิดนะอย่าไปประมัดตัวเองตัวเอง มันมัดตัวเองมันปลารมัดไม่กลัวอะไรจะเกิดขึ้นตามกรรมนั่นแหละไม่รู้ จ, กจกักรบจักรีกรรมในปัจจุบันก็มีกรรมในอดีตก็มีถ้ากรรมในอดีตเราเคยทำเขาไว้แล้วแต่ยังไงมันก็หนีไม่พ้นนะแต่ในกับกรรมในปัจจุบันเนี่ยเราต้องรู้จกักรบรู้จกักรีกมันหลีกเล่นได้กรรมในปัจจุบันเราก็ต้องรู้ว่า ล, ลมมันมีเป็นพายุมาเรายังทูซีอยู่ อันนั้นแปลว่ากรรมในปัจจุบันก้นต้นมากก็บลมโค่นทับหัวจริงๆนะถ้ากรรมในอดีตถึงเราจะไปหลบเลี่ยนหนีที่ไหนก็ไม่ก็หนีไม่พ้นนะ น, นั้นจุดนั้นนะผมก็เคยพูดเสมอห น, ะนีลมหนีช้างหนีเสือหนีฆ่าศึกศัตรูหนีอะไรหนีพ้นนะแต่หนีความตายหนีหนีไม่พ้นนะ นีความตายหนีไม่พน้นถึงจะไปอยู่นักสถานที่ใดหนีไม่พ้นความตายนะแต่ทีอย่างไงมีแต่ทางเดียวเท่านั้นอนะชําระกิเลสเมื่อตายไปแล้วจะไม่มาเกิดอีกนั่นอนะหนีพน้นไม่มาเกิดอีกเป็นอนันตการอย่างที่พระพุทธเจ้าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่มาเกิดอีกอย่างองหลวงตามหาบัวก็เหมือนกันท่านบอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้ว เราจะไม่มาเกิดเป็นอนันตการนี่แหละแต่ตา ย, ยเหมือนกันนะพอตายแต่แล้วไม่มาเกิดอีกนั่นแหละจะไม่ตายอีกเพราะมันไม่เพราะท่านไม่มาเกิดจะตายได้ยังไงใช่ไหมล่ะอันนี้เขาบอกกล่าวเอาไว้นะเตือนเอาไว้เพื่อความไม่ประมาทเพราะพระใหม่พระเก่าพระเก่าก็มีออย่าเฉยเฉยเมืม่อเมื่อยื่อบื้อไม่ได้นะพระเก่านะต้องบอกดูแลพระใหม่นะ ดูแลสัมมเณนนะพระใหม่องเหมือนกันสัมมาเนของเหมือนกั น, มม น, น, กนต้องเชื่อผ้าเก่าไปยังไงหลบยังไงถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นอะมันมีคุ้มค่านะพระลูกพระหลานทั้งหลายนะวันนี้เป็นวันที่11เมษายนพุทธศักราช2560วันนี้เป็นวันอุโบสถเพื่งลงโบสถจบลงสักครู่นี้ขอให้พระทุกอง ให้มุ่งมั่นตั้งใจอยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยพอเราบวชมาจะให้เหมือนคารวาอัอมันเป็นไปไม่ได้คารวาดกับพระเราก็รู้จักอยู่แล้วแต่หากว่าบวชเข้ามาแล้วอย่าให้สบายเหมือนคารวาตแสดงว่าคิดผิด เ, เราจะบวชทำไมเมื่อเป็นทำเหมือนคารวาตที่เราอยากจะให้มันเหนือกว่าการเป็นอยู่เหนือกว่า มีศีไราจารวัตกว่ามีความสำรวมกายวาจาใจเหนือกว่าเราจึงเข้ามาบวชในเมื่อเราเข้ามาบวชแล้วจะจะให้มันเหมือนคารวัตมันเป็นไปได้หรอถ้าเป็นคารวัตเราจะไปบวชทำไมในเมื่อเราเป็นพระสงฆ์แล้วก็อยู่ในกฎระเบียบของพระสงฆ์พระพุทธเจ้าสอนอยังไงหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านท่านบัญญัติไว้อย่างไร ทำนี้ในไม่ใช่ของหลวงพ่อนะไม่ใช่ของครูบาอาจารย์นะเป็นของพระพุทธเจ้านะถ้าเราเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าบัญญัติอย่างนี้นะ่อให้เราเกิดมาในศาตสนาภาิศษฐอานเช่นก่อนนะอย่าไปกราบพูดพระพุทธเจ้าโอ้ยพระพุทธเจ้าตัดอย่างนี้ไม่ถูกเปลี่ยนใหม่เอาแบบสบายๆกว่านี้อย่าอยู่ในกฎระเบียบขนาดที่เถอะพระเจ้าค่านะต้องไปขอจากนู่นจะมาขอกับพวกครูบาอาจารย์ รุ่นใหม่นั้นไม่ได้เพราะมันเป็นกฎหมายกดตายตัวอยู่แล้วเป็นกฎของพระพุทธเจ้าไม่ใช่กฎหมายรัฐธรรมนูญเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคนะนี้ขึ้นมาก็เปลี่ยนแต่กฎหมายและกฎกติกาของพทุทธะเนี่ยต้องได้เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนสมัยพทุทธะเนี่ยจึงจะเปลี่ยนได้ไม่ใช่จะคิดมาสังคราชสมเด็จพระสังคราชองคไหนก็เถอะเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนกฎหมายมีแต่บัญญัติเพิ่ม แอบเพิ่มเพิ่มที่ตรงไหนแอบเพิ่มตรงคล้ายๆกับว่าเป็นอัตคาถาหรือว่าเป็นอนุดีกาหรือว่ากฎหมายลูกลักษณะอย่างเง้ยกฎหมายแม่มีอยู่แล้วกฎหมายลูกคืออะไรเออสมมติว่าภิกษุในยุคนี้ส ม, มัยนี้อย่าไปพระอย่าไปขี่อย่าไปขับรถเพราะว่ารถส ม, มัยก่อนไม่มีใช่ไหมล่ะอย่าพระไปอย่าไปขี่มอเตอร์ไซค์ พระทั้งหลายอย่าไปขี่จักรยานมันดูแล้วมันขาดการสํารวมระวังดูแล้วมันไม่งามขี่มอเตอร์ไซค์สีจักรยานขับรถยนต์ไปชนคู่คนเข้าไปแล้วเขาจะต้องทาตามกฎหมายผลทั้งส่วนเขาจะต้องจับศึกเพราะมันเป็นกฎหมายของเขาอันนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็ตั้งกฎกติกาเอออย่าไปทำนะมันผิดกฎหมายบ้านเมืองเขา อันนี้คือบทบัญญัติขึ้นมาใหม่และมีมากที่บทบัญญัติขึ้นมาใหม่แต่ก็มีเหตุผลเพราะนั้นทุทกคนถึงจะมาใหม่กฎมาใหม่เราก็ต้องยอมรับพาะอะไรเพราะว่ามันมันผิดมันดูแล้วมันไม่งามนี่แหละอันนีค้คือการเป็นอยู่ของรูปหลักทมคำสอนของพุท ธ, ธะของพระพุท ธ, ธเจ้า ที่ท่านบัญญัติไว้ 84,000 พันพระธรรมกาน่คือหลักธรรมภาพรวมแต่ส่วนพระวินัยของพระสงฆ์เนี่ยสองศีลิบ2จที่พวกเราสวดจบลงสักครู่นี้นะให้พวกเราศึกษาจุดนี้นะศึกษาอันนี้ละเป็นถ้าคนเราพระของเราอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบอยู่ในวินยัยอยู่ในสถานที่ใดก็น่าเข้ารบกบาบไหวเป็นพระที่ดี เหมือนกับคนอยู่ในกฎหมายนะอยู่ในกฎกติกาของบ้านเมืองถ้าเราอยู่ในกฎกติกาไม่ทำผิดกฎหมายก็เป็นพลเมืองที่ดีเป็นประชาชนที่ดีเพราะอยู่เคารพในกฎหมายนี้ก็เหมือนกันพระที่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยเคารพในหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าก็เป็นพระที่ดีเป็นพระที่เคารพน่าเคารพกราบไหว้แต่ประชาชนก็เหมือนกันถ้าหากว่า ไม่อยู่ในกฎหมายเขาห้ามไม่ให้ขายยาบ้าก็ไปขายยาบ้าเขาเข้าเขาห้ามไม่ให้ทำที่มันกฎหมายเขาห้ามตัวเองไปทำจะเป็นผลละเมืองที่ดีได้อย่างไรพลที่สุดก็ออกนอกทางเราก็จับเข้าคุกแปลว่าผลผละเมืองผลละเมืองเลวต้องจับจับขังคุกพราะมันทำผิดกฎหมายเนย นีก็เหมือนกันพระที่ทำผิดวิถีมำวินัยก็ลักษณะอย่างนั้นจะจัดเป็นพระได้อย่างไรขอให้พวกเราอยู่ในหลักพระธรรมวินัยนะพระเนนพาลูกพาหลานทั้งหลายนะให้ซ้ำรวมกายวายจาให้เรียบร้อยอย่าให้มีโทษจากนั้นก็ให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาประพฤติปฏิบัติอันนั้นเรื่องศีลแต่เรื่องธรรมอยู่ในใจเรื่องให้ภาวนา ให้สัมรวมกายอยู่ที่ใดให้มีสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวนี่แหละให้พวกเรามุ่งมั่นตั้งใจอยู่ในศีลและวินัยอยู่ในหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะนะเราอยู่ในสถานที่ใดร่มเย็นเป็นสุขนะพระลูกพระหลานและก็พร้อมกันนี่ก็วันนี้ละวันที่11อแล้วนะช่วงนี้เป็นช่วงสงกราน ก็ให้พวกเราช่วยๆกันคิดนะวันไหนจะเอาพระลงวันไหนจะพระเก่าต้องปรึกษากันให้ดูแลพระพวกน้องๆที่ที่เข้ามาอยู่อย่าให้ผมได้พูดได้กล่าวให้พวกท่านทั้งหลายมีอะไรประชุมกันแล้วก็กล่าวเตือนการบอกกันในพิพระอยู่ในวัดนะให้ช่วยกันดูแล้วก็พร้อมกันเดือนนี้เป็นเดือนเมษาวันที่27 26 27ดยี เป็นวันเกิดหลวงพ่อนะแล้วก็นี่แหละบอกกล่าวให้พระเนรลูกหลานทุกองค์ให้ช่วยกันดูแลกันทำงานเอ่หถ้าหากว่าผู้ใดมาอยู่กับหลวงพ่อแล้วหมู่พวกเพื่อนให้ทำการทำงานให้ช่วยกันช่วยงานให้รับภาระรับผิด ช, ชอบเถลย์ถลายขนาดงานหลวงพ่อขนาดนี้ยังทเทลยถลัยนะแล้วจะไปช่วยงานพ่อแม่ของตนเองเนี่ยจะทำยังไงแสดงว่าใช้ไม่ได้พระลูกนั่น สมเน ร, รูปนั้นเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันดูนและนะก็ไม่กี่วันมันก็เสร็จไปแล้วให้เคียงบาคียงไหลกันนะให้ช่วยกันนะให้ช่วยกันคิดนะให้ฟังกันอย่าตอกอย่าแตกแยกสมัครคีกันนะอย่าทะเลาะกันนะถ้าเหาองคใดก็าตามนะพระในวัดของเราเนี่ยองค์ใดก็ตามนะถ้าหากว่ามีการทะเลาะเบาแวงกันหรือไม่ฟังคําหมู่อย่าไปปล่อยไว้นะบอกผมนะบอกหลวงพ่อ พ่อหลวงพ่อเนี่ยเป็นผู้รับภาระเป็นผู้รับผิดชอบในพระลูกหลานทุกองค์ถ้าหาองค์ไหนออกนอกลูนอก ล, นอกลูนอกทางบอกมานะ เ, เราจะต้องไปชมกันหาหรือกันแต่ผมเองจะไม่ใช่ประเดทการนะประเดทการผมจะไม่ใช้ใช้ความพร้อมเพียงสา ม, มัคคีกันนะลงมติกันว่าทาผิดไหมตัวเองยอมรับไหมเป็นยังไงการกระทาของตนเองถูกไหม ถูกตามกฎต ก, กฎติกาไหมหมู่พวกเพื่อนเป็นยังไงบอกแล้วกล่าวแล้วนะไม่ฟังอย่างนั้นใช่ไหมเสียงเหล่านี้นะเออมันต้องอยู่ด้วยกันด้วยความพร้อมเพียงสามาัคคีมีอะไรบอกกล่าวกันปรึกษาปรารถกันอยู่ด้วยพี่พี่น้องๆ ล, ลูกลูกหลานๆอยู่ด้วยกันแบบสหธรร ม, มิกอยู่เป็นอยู่แบบลูกของพระพุทธเจ้า เป็นศากกยบุตรพวกเราเป็นปวงพ่อเป็นลูกคนใหญ่ของเพื่อนนั่งเป็นหัวหน้าก็เป็นลูกพระพุทธเจ้าเหมือนกันพวกท่านกับน้องๆลงไปเป็นลูกเป็นหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ที่เหลืองก็เป็นลูกของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเรียกว่าเป็นสากกยบุตรพุทธชินโนรถเราจะวางตัวยังไงเราจะปฏิบัติตนอย่างไรให้เหมาะสมให้ถูกต้องสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราช่วยๆกัน บอกกล่าวกันนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นผมก็เป็นห่วงนะถ้ามีการมีงานขึ้นมาแล้วนะผมก็เป็นห่วงเป็นห่วงลูกหลานทั้งหลายกลัวมันจะมี ท, ท, ทะเลาะวิวงกันแต่ถึงยังไงถ้าองค์ไหนมีอกับกิริยาไม่ลงหมู อ, อไม่ยอมรับกระหมู่พวกเพื่อนก็บอกผมนะเพราะผมเป็นหัวหน้านะผมรับทุกองเหมือนอวัยวะของผมเหมือนแข้งขาตีนมือขมของผม เป็นหูแทนเป็นตาแทนผมถ้าหากว่าตาของผมเป็นมะเร็งเน่ะผมจะเอาไว้ทำไมผมจงควัตงตรงควักตาตัวเองทิ้งเพราะอะไรเพราะมันเป็นมันเป็นมะเร็งไงนี้ก็เหมือนกันจะเป็นพระองค์ใดก็าตามถ้าไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยไม่อยู่ในกรอบไม่อยู่กับหมู่กับเพื่อนทะเลาะวิวาทกันไม่ยอมลงหมู่ไม่ยอมฟังเหตุผลของหมู่ของเพื่อน แสดงว่าแตกแยกสามัคคีองนั้นอยู่ด้วยกันไม่ไดอ้อย่างอวัยวะของผมก็เหมือนกันไม่ว่าส่วนไหนของร่างกา ย, ยถ้ามันแตกสามัคคีกันถ้าไม่ลงหมูนะ่มันเป็นมะเร็งจะต้องตัดทิ้งถึงจะรักขนาดไหนขนาดลูกตาตัวเองก็ต้องควักทิ้งเพรายอไรเพราะมันเป็นมะเร็งนี้ก็เหมือนกันพระของเราโยมของเราจะเป็นใครก็ตามในกลุ่มของเรา ถ้าหากว่าไม่มีความพร้อมเพียงสมรคีในหมู่ในคณะในพักในพวกในกลุ่มของเราแล้วถ้าเลี้ยงไว้ก็เสียห้อยทําให้กัดหมูกัดเพื่อนทะเลวิวาทอยู่เรื่อยๆทําให้วงการไม่สงบพาสุกเอาไว้ไม่ได้นะนี่แหละขอบอกกล่าวให้กับพาลูกพหลานทุกองค์นะแต่พูดทั้งนี้ทางวันเป็นแนวเป็นแนวการบริหารกับการอยู่ด้วยการของหมูของคณะเออพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่าน จุดนี้คือคือการเป็นอยู่ร่วมกันแต่ส่วนด้านจิตใจให้พวกเรามุ่งมั่นตั้งใจสำหรับตนเองให้ตั้งจิตตั้งใจไว้เสมอว่าจะทำยังไงข้าพเจ้าจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัตฏสงสารนั้นนี้อีกข้าพเจ้าจะภาวนาข้าพเจ้าจะชำระใจของข้าพเจ้าให้หมดจดจากกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากใ จ, ใจิตใจ จากนั้นข้าไปเจ้าจะไม่ขอมาเวียนไหว้ตายเกิดอีกเพราะวานการเพียนไหว้ตายเกิดกทุกจริงๆกับว่าสุขที่ตรงไหนเป็นความสุขนึกดูสิเอพอกินข้าวเข้ามาอิ่มท้องเข้ามาอีกพม่นานก็โดดเข้าห้องน้ํำเดี๋ยวก็ตดวจเข้าห้องเอตั้งปัดทั้งขา่ายหนักถ่ายเบาจากนั้นเผอๆยังปวดท้องอีกตั้งหักแล้วก็มากินอีกเข้าไปอีกฮะอจากนั้นก่อนแก่เท่าชราไปเรื่อยๆ ผลในสุดก็น่ะถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนเลี้ยงถือเลี้ยงร่างกายเดยกกัฟันหลุดเดยกก็ผมขาวเดยกกหนังเหี่ยวเดยกกัตาฝ้าฟังหูตึงเออมันไปผลในสุดกแก่เท่าชราไปถึงแก่เจ็บตายในที่สุด เ, เกิดมาพบหน้าชาดหน้าก็เป็นอย่างนี้อีกใช่หรือไม่นี่เพราะเหตุไรเพราะกิเลสราคะโทสะโลบโกรดหลงในใจของเราพาเวียนไหวตายเกิดถ้าเราชาระ กิเลสจะอยากพระพุตธเจ้าพระหันตรสาวกทั้งหลายที่ท่านพาดําเนินมานั้นแหละพอชําระใจให้บริสุทธิ์เท่านั้นล่ะบรมมัสุขจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกจะไม่ดีกว่าเหรอเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนะศึกษาแล้วก็ฟังแล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติจากนั้นตามแนวแถวของพุทธะพวกเราก็จะ สำเร็จสมความมุ่ง ม, มา่นปรารถนาตามแนวแถวพุท ธ, ธะที่ท่านที่ท่านได้แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเอาไว้นะแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ศึกษากันอยู่เป็นวันๆอยู่ไปเป็นเดือนๆปีๆแบบช่างกระตายไปเรื่อยๆผลในสุดก็ถึงจุดจบของชีวิตก็ไม่มีอะไรที่อย่างที่พระพุทธเจ้าพระหารีาสกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้พูดได้กล่าวเอาไว้นะถ้าตอนนี้ไปหออากาศร้อนสุดท้ายปฏิโมกต่อนะทีนี่นะ